อตีตากฆาณวิถีที่เกิดต่อจากจากขุทวาริกาติมหันตารมวิถีรับอดีตตัวารม์สมูหักฆาณวิถีอันนี้ก็ชวนะก็จะเหมือนกันเลยสังเกตดูนะการ ม, ว 10, า, มาวางศิบการมชวนะ27เว้นโทษาสองอันนี้ก็ว่าอันต้นอันที่สองก็ว่าแต่วิถีนี้เกิดเป็นวิถีส่วนรวมก็รวบรวมนั่นแหละสมูหักเนะี่ยรับปันอารมณ์ที่เป็นส่วนรวมเนะี่ยรับอดี ต, ต อดีตรูปอารมณ์นั่นเองยังเป็นปรมัตย์อยู่ตถาลัมมณะเกิดพอหลังจากนั้นอัฏฐค่าหนาวิถีนี่เป็นรู้เนื้อความรู้ความหมายรู้รูปร่างสันฐานหรือกิริยาการของรูปอารมณ์อย่างนั้นรู้แบบไหนรู้แบบอัฏฐบัญญัติรู้อัฏฐบัญญัติรู้ยังไงบางทีก็ว่าอัฏฐบัญญัติที่เกี่ยวกับเนื้อความในที่นี้รู้สันฐานในที่นี้คือรู้สันฐานเนี่ยสันฐานของรูปของรูปอารมณ์นั้นๆ ว่าสันฐานเป็นลักษณะไหนว่ากรมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือลักษณะยาวโคง้งออย่างไงเป็นต้นแสดงว่าคือรู้อัฏฐเพราะไอ้วิธีรวบรวมนี่คือรวบรวมหมดแล้วรวบรวมทุกจุดของของของรูปารมณ์ที่อยู่ในแผ่นนั้นอยู่ในภาพนั้นเนี่ยเมื่อรวบรวมเบ็ดเสร็จแล้วตอนี้ก็ตัวสมูหะ ก, ก็ไอ้ตัวอัฏฐะ ก, ก็เกิดจะรู้สันฐานรู้สันฐานก่อนที่จะไปรู้ว่ามันคืออะไร รู้สันฐานก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปรู้ว่ามันคืออะไรถ้าเรามีวัตถุชิ้นนึงเนี่ยเอามาปิดเข้าไว้แล้วค่อยๆเปิดออกเปิดออกไหมไอ้ตัววิถีจะรวมไปได้ตลอดอ่าเมื่อเปิดออกได้นิดหนึ่งมันก็รวมเสร็จแล้วนิดหนึ่งเปิดออกอีกนิดนึงก็จะรวมเพิ่มอีกนิดหนึ่งเปิดออกนิดนึงก็ทั้งรับทั้งไอ้นะทั้งรับทั้งรวมทั้งรับทั้งรวมทั้งรับทั้งรวมเนีสันฐานก็จะรวบรวมในขณะนั้นไปด้วยใช่ไหม อันย่อๆอย่างถ้าเราเขียนภาพบนกระดานเนี่ยถ้าเขียนภาพอีกภาพหนึ่งแต่ว่าให้มองทีละจุดปิดไว้ทั้งหมดแล้วค่อยๆดึงไปเรื่อยๆเย่างี้ไอ้ตัวส่วนรวมเนี่ยมันจะขยายมันจะเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยๆไปตามสันฐานคงเว้าของภาพนั้นมันจะเป็นลักษณะนั้นครับมันรวมไปเรื่อยมันรับไปเรื่อยมันเห็นไปเรื่อยเป็นต้นแล้วก็รวมไปเรื่อยอย่างเนี้ไอ้สันฐานมันก็เลยจนในที่สุดจริงๆจนเห็นสันฐานแค่ไหนก็สมมุติขึ้นมาอีกทีเป็นนามะ ขั้นน้วิถีเกิดว่ามันคืออะไรแต่ในขณะเดียวกันในคําว่าน้ําในที่นั้นบางทีมันเกิดทุกๆขนาเนะเช่นว่าเวลามันรวมแค่นี้บางทีเออมันเหมือนนั้นเหมือนนั้นเหมือนนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นมองเหรอไหมในที่สุดจริงๆจนึว่าอ้าวอันนี้มันคือสิ่งนี้เป็นต้นเลยนะก็ก็เรื่องเรื่องความเร็วของวิถีนี่เร็วมากก็ชนนี้ที่รูปเคลื่อนไม่ทันเลยฮะความเร็วของเ้าบางทีให้คนไปอะไรดูเนี่ย ให้ไปปิดแล้วไปดึงอะไรดูมันโอ้โหจัดแจงไปเสร็จเลยไม่ใช่รับแค่ตรงนั้นนะรับแค่คนด้วยคนคนนั้นขึ้นไปยืนด้วยมือที่ลากชักหรือคอยปิดแผ่นภาพนั้นด้วยอย่างนี้ไปตัวมันรายละเอียดมันค่อนข้างเร็วมากนี่ไหมนั่นแหะคือวิถีจิตเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าครั้งจากขุทวานเนี่ยก็จะเป็นอย่างเนี้ยอตีตักข้าววิถีสมุหัก้าวนาวิถีอัตถักข้าววิถีและนามขานะขหันนาวิถีนี่เป็นนี้ นี่ลักษณะของวิถีเป็นอย่างนี้นะีทีนี้ถ้าอีกวิถีหนึ่งฮะอ๋อต้องต้องเว้นเนี่ยหาสีตุปาท้าจิตนั้นรับรับอะไรล้วไหมรับปรมัตดไม่สามารถรับบัญญัติได้เออเว้นออกนะครับตรงนั้นเว้นออกตรงนี้ต้องรู้เออในวิถีที่เท่าไหร่นามักใช่ไหมอาจถักใช่ไหมเอออาจถักต้องเว้นแล้วเพราะอาจถักเป็นบัญญัติแล้วก็ต้องเวน้นหาสตตุปาถ้าจิตถ้ากถาบอกหาสีตุปาถ้าจิตทํทำไมจึงเวน้น ห้สี่ตูปาถ้าจิตรับกามจิตห้าสี่เจสิบห้าสองรูยี่แปดที่เป็นปรมัตเขาอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มปัญจวีสาวปริตตำหีฉาจิตตานิมาคาเตเอกวิสติโอเอ้ไม่ใช่นี่อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มจิตยี่สิบห้าดวงเขารับอารมณ์หที่เป็นปรมัตเท่านั้นถ้าหากว่าอารมณ์ถ้าเออั้งนี้พอพูดถึงตรงนี้คือรูปอารมณ์เนี่ยรูปารมณ์เนี่ยนะถ้า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 เป็นโผฏฐารมย์ใช่ไหมพระกฏทางกายทวารวิถีอ่ะถ้าลงสู่ทางมโนอไอปัทวียนั่นน่ะจะเป็นอะไรแล้วรูปอารมณ์ล่ะถ้าพรากฏทางปัญจาถ้าหากลงทางมโนเป็นอะไเรี <c oughs> นยนไว้พวกเราเดาถูก ท, ที่จริงคืออย่างนี้กะที่เขาบอกว่ามโนวทวารรับอารมณ์หงนะถูกแล้วท่านวางั่นเรื่อ็ไปได้ไปได้หลักฐานแปลกๆเป็เปเปนเรื่องน่าคิดอยู่ ที่จริงก็คือที่เรียกคําว่ารูปารมคือเรียกจากสัมพันธ์กันแท้จริงก็คือเขารับได้นะธรรมโนทวานเนี่ยแต่รับรูปารมในฐานะเป็นธรรมารมเนี่ต้องบอกเพราะรูปารมนั้นเวลามาเกิดทางเาลวลาเวลาปฐวีธาตุเป็นต้นมาเกิดทางมโนทวานนี่จะไปเกิดในลักษณะลักษณะของปฐวีธาตุคือลักษณะแข็งลักษณะอ่อนเป็นต้นเนี่ยหรือลักษณะเย็นหรือร้อนเป็นต้น ลักษณะหย่อนตึงลักษณะที่ไหวไปมาเป็นต้นเนี่ยไอลักษณะอย่างนี้แท้ที่จริงก็คือปรากฏทางมโนถวะในฐานนะเป็นธรรมอารมณ์ดีกลาว่างั้นเนีบอกแลบอกเอ้ก็เป็นเรื่งแท้จริงเขาบอกก็คืออารมณ์หกนั่นแหละก็คืออารมณ์หกนั่นแหละก็ต้องยืนตามบอกว่าอารมณ์หกนั่นแต่ว่าอารมณ์หกในฐานะเห็นอะไรพูดยาวกันนึ่งย่อยๆเนะยมองมองมองในลักษณะเช่นนะั้นไม่ชัดใช่ไหมใช่ตรงนี้คือมันอย่างนี้ คือจริงๆก็คือรับอารมณ์ทั้ง6กใช่ไหมโดยหลักเนะ่ยใช่เลยแหละรูปอารมณ์สัทธารมณ์คันธารมลาาัสสารมโหสถอารมณ์และธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตใช่ไหมทีนี้ถามว่ามโนทวารเนี่ยไอตัวมโนทวารเนี่ยถามว่ารับอารมณ์หถามว่าใช่ไหมก็อารมณ์หนั่นไงแต่อารมณ์6ที่ปรากฏทางมโนทวารนะ เ, เป็นอารมณ์6ที่ปรากฏทางมโนทวานนะ มันอย่างนั้ น, อนตอนนั้นก็เป็นโัวถภารมแต่โพวธภารมนั้นถ้ามาทางมโนถวารเป็นอะไรภารมนั้นตอนนั้นเกิดเราร้ดวคือตรงนี้เนี่ยนั่นอย่างนี้ที่อาจารย์พูดตรงนี้ท่านก็ยกตรงไหนด้วยพออิญพอเอินไปไปเห็นไปรู้จักยอมคนหนึ่งแกชี้แกก็เอา แกก็เอาหลักฐานให้ดูพอหลักฐานให้ดูเอาแปลกดีแกก็บอกเนี่ยถ้าหากแกสอนจะสอนตามนี้เนี่ยตามในายาของพันธุุรุษอาจารย์แกก็บอกว่าใช่แต่ในนี้ว่างเนี้ยถ้าท่านจะวางเนี่อแล้วแล้วเอาอยัางไงอ่ะผมเอาอย่างนี้สิเขว่าอาจารย์ก็เลยยกสูตรหนึ่งพัทเทกรตัตสูตรยกภูบมาแกบอกแล้วก็นั่นเลยในที่นั้นก็คือตรงนี้อาจารย์ก็เลยมานั่งมานั่งวันนี้เลยมานั่งศูนยนาตรงนี้ที่บกว่าเนี่ย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 ก็บอกอย่าไปยืนแกบอกอย่าไปยืนคําว่าทำมารมณ์ได้แก่จีดปดสิบเก้าเจตสิบห้าสองภาษาทะลุห้าอย่าไปยืนแค่ตรงนั้นปียะรูปปังสาตรูลุปังมอแกก็ยกมาเยอะปียรูปสายทะลุมันไม่ได้แก่โลกคยะจีดแปสิบเอดเจ็ดสิบห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดเป็นทำอารมณ์ไหมเห็นไหมนะพอยกตรงนั้นมาเราก็บอกเออถ้าอย่างนี้เยอะชัดเลยทั้งกันฟอฟอมันจนหลักฐานเงี้ยจนหลักฐานเขามันจนหลักฐานเขามอลหม เป็นทั้งเป็นทั้งเป็นทั้งปัจจุบันเป็นทั้งอาณาเป็นทั้งอดีตอน า, าคตปัจจุบันวิธีไหนวิธีนี้ใช่ไหมใช่ไหมวิธีนี้ในที่นี้ต้องบอกต้องตามวิถีบนนะต้องตามต้องตามวิถีน ตรงนี้ตรงนี้เราเราเราแค่ฟังกันแต่รายละเอียดี่อาจารย์ยังไม่ได้ อ, อาจารย์ยังไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดเนะี่ยนี่ฟังฟังดูเท่านั้นเองแต่ว่าดูแล้วของเขามีเหตุผลแค่นั้นเองที่เอามามาสนทนา น, นี่ดูแล้วที่พระที่ที่แกพูดถึงรู้สึกคือจริงๆคือถ้ามองถึงจุดตรงนั้นนะี่ยมันใช่ไงคือมันมันเปลี่ยนไงไอ้ว่าถูหรือรูปรลมนั่นเป็นต้นนะมันมาแปลงมันมันเปลี่ยนออกไป แต่ต้องบอกว่าเป็นอารมณ์หกไว้ต้องยืนตรงนั้นก็ไว้แต่จริงๆคือต้องไปรู้ลักษณะของสิ่งนั้นไปแล้วต้องไปรู้ลักษณะของสิ่งนั้นไปแล้วชื่อของสิ่งนั้นไปแล้วอะไรเป็นต้นเลยแต่ก็ <ไอ S 1> แต่การ<อ>การยืนการยืน อ, อารมณ์หกไว้เนะมันมันมันมันชัดจริงไหมถ้ายืนอารมณ์หกไว<อ>้เนี่ยมันมันไม่นแต่ที่จะไปทำความเข้าใจอีกทีนั้นก็ต้องต้องต้องไหวอีกทีใช่ไห <GA> แต่จริงๆเรายืนอารมณ์หกไว้ในระดีแล้วตื่นตามท่านเอาต่อไปไปดูดูในวิถีนี้เคยเห็นเขาเขียนวิถีให้ดูอีกทีเนียเดี๋ยวไปดูกอนตรงนี้ในวิถีเกี่ยวกันในเรื่องของถ้าเราจะเขียนวิถีอ๋อรู้สึกในปัญหาเอาต่อไปขยายเกี่ยวในเรื่องของวิถีจิตเนี่ยเนียท่านบอกว่าต่ถ้านวติกามโนทวารวิถี เมื่อเห็นผู้ใดผู้หนึ่งกวากมือเรียกก็รู้ทันทีว่าผู้นั้นเรียกเราเนี่ยนะวิถีจิตจะเกิดยังไงอ่ะท่านบอกว่าจักขูทวารวิถีเนี่ยแลเห็นคนที่กำลังกวากมือเรียกแต่การเห็นนั้นเป็นแต่เพียงเห็นเท่านั้นน่ยยังไม่รู้เรื่องราวแต่ประการใดวงการเห็นนั้นเน่เป็นแต่เพียงเห็นเท่านั้นเน่ยพราะจักขูทวารวิถีที่ไปรับรูปารมที่รูปารมที่กวักมือเรียก่ะ ที่กวากมือคําว่ากวากมือเรียกเนี่ยไม่ใช่เสียงเรียกนยีกวากมือนั้นเป็นอาการแห่งการเรียกอ๋อเหรอการกวาดมือนั้นเป็นอาการแห่งการเรียกเรียกผู้ที่กําลังมองดูนั้นน่ะทีนี้วิถีจะเกิดขึ้นก็คือลําดับแรกก็คือจกักรคูทวารวิถีก็เริ่มตั้งแต่รูปารมปรากฏครั้งแรกที่อุปาทัศนาของอตีตะพวังเป็นดับที่ ตถารรมนาดวงที่สองในจักขู่ทวาริการติมหันตารวิถีเว่าเป็นวิถีนี้ใช่ไหมอตีแต่เพวังเพวังก็จะชนะเพะวังคู่ประเชทธนั้นเป็นมโนทวาราวรชนะก็ว่าไปต่อมาก็เป็นปัญจทวาราวรชนะลาพึงถึงอะไรลาพึงถึงรูปอารมณ์รูปอารมณ์มที่ไหวหัๆอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเนี่ย ล, ลำพึงนั้นเนี่ยจะเป็นรูปารมณ์สามชนิดนะไอ้ที่ไหวๆว อ, อยู่ข้างหน้าอาตาอีทายธรรมชตาหรืออนิถาใช่ไหม ถ้ามยายังบอสามชนิดใช่ไมไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้เลยโฟลฟารมสามชนิดทีนี้เอฟบางทีถ้าเราจะแยกไดไ้ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยถ้าสมมติว่าเสียงเนี่ยถ้าเสียงของมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นอัติอิทธารลมไหมเอาอะไรเป็นตัววัดอ่ะรู้ไหมอะไรเป็นตัววัดน่ะมนุษย์ก็เกิดจากกูศสแ ล, ละกรมใช่ไหมในขณะที่มันเปล่งออกมาก็น่าจะเป็น อติอถารมหรือเป็นอิทารมนะว่าถ้าสุนัข่าหอ น, นี่ก็เป็นบาปอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าถามอย่างเงี้ย<ช>เห็นไหมไอตรงนี้เนี่ยใช่ไหมใช่เห็นไหมไอตรงนี้ต่างหากพูดนิ่มๆนี่แหละแต่พูดด้วยโทสะด้วยราคะด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมก็สรุปแล้วตรงนี้ก็กว่าแล้วก็จักขวิ ญ, ญญาณทำทัศนกิจสัมปติชนะรมสัมปติชนะกิจตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ย ใช่ไหมก็ทากิจในการเห็นรูปารมรับรูปารมสันติระกาทําสันติระนากิจพิจารณา ว, วธฏปัญาก็ตัดสินะจะตัดสินโดยความเป็นบุญเป็นบาปอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆก็คือว่าวัตถุประสงค์มันเป็นอยู่ว่ารับรูปารมที่ไหวไหวอนี้เยพอรูปารมดับใช่ไหมก็รับ ใช่ไหมการรับแต่ละครั้งเนี่ยการกวักมือแต่ละครั้งเนี่ยรับไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยจากขูทวารลวิถีมั่งใช่ไหมรับรูปารมณ์นั้นไม่รู้เท่าไหร่ต่อมาตีตักขณวิถีก็รับอดีตรูปารมณ์ทันทีรับอดีตรูปารม์เป็นวิถีที่เกิดต่อจากจักรคู่ทวารละวิถีรับรูปารม์ที่เป็นอดีตคือรูปารมณ์ที่จักขคูทวารละวิถีรับมาแล้วก็ดับไปแล้วนั่นเองการเกิดขึ้นของจักขุทวารลวิถีแล้ว อตีตาขนาวิถีนี้สลับสลับกันเกิดสลับกันเนี่ยเยอะมากมายว่า ง, งั้นเดี๋ยวคำนวณไม่ได้ประการต่อมาเลยต่อสมูหักข้าวิถีเป็นวิถีที่เกิดต่อจากอตีตากข้าวิถีรวบรวมเลยรูปารมณ์ที่จากกูทวารวิถีและตีตากขาวิถีรับมาแล้วก็ดับไปเนี่ยนะเกิดขึ้นอีกมากมายเหมือนกันในการที่รวบรวมประการต่อมานี่อัตักข้าววิถีเลยเดียนี้ เป็นวิถีที่เกิดต่อจากสมูหักขณะวิถีก็รู้เนื้อความคือรู้ว่าผู้นั้นกําลังกวากมือรู้อาการที่กวากมือสันธานที่กวากมือไหวๆเนะี่ยรู้สันธานว่าไอ้สันธานนี่คือสันธานการกวากมือใช่ไหมทีนี้ประการต่อมาดิจิกายวินญาตเป็นวิถีที่เกิดต่อจากอัดถคณะวิถีเนี่ยก็รู้ว่าผู้ที่กําลังกวากมือนั้นน่ะเป็นการกวากมือที่กําลังเรียก กายยวินยักษ์เนี่ยรู้อาการของกายใช่ไหว่าลักษณะอย่างนี้คืออาการในการเรียกเรียกเข้าไปหาใช่ลักษณะอย่างนั้นประการที่6ก็คือว่าอธิปายักาวิถีเป็นวิถทีที่เกิดต่อจากกายวินยักษณาวิถีเนี่ยเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าผู้นั้นมีความประสงค์ให้เราไปหาและเราก็ได้เข้าไปหานั่นแหละลักษณะเช่นนี้ก็ว่าวิถีจิตจะเกิดขึ้นอย่างนี้ โอ้ขนาดคนกวาดมือเรียกแค่นี้ยังขนาดนี้นะย้อนตัมองเห็นไหมเนี่ยว่าเป็นไปตามลำดับลักษณะเช่นนี้เดี๋ยวย้อนตัวต้องให้มหานุกชิตต่อให้อีกรอบหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเย็นๆได้นั่งคุย <c oughs> ก็รับปฏิรับปฏิรูปอารมณ์ไม่ใช่ต้องรับนะนี่เป็นในลักษณะเช่นนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าในขนาดที่คนอื่นกวาดมือเรียกทีนี้ถ้าหากว่า ถ้าหากว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งแหละเมื่อขณะได้ยินที่เขาเรียกชื่อเราล่ะเ อ, อวิถีจะเป็นยังไงอ่าถ้าหากว่าเป็นในขณะที่เขาเรียกชื่อก็รู้ทันทีว่าเขาเรียกเราในวิถีเจ็ดวิถีเกิดนะลําดับแรกคือโสตทาวาริกาติมหันตารมวิถีได้ยินเสียงเท่านั้นแต่ยังไม่รู้นามบัญญัติและก็ไม่รู้อัตถากัญญัติก็แปลว่าในขณะนั้นยังไม่รู้ชื่อยังไม่รู้เนื้อความเลยใช่ไหม แต่ได้ยินเสียงนั้นลักษณะของการได้ยินเสียงเนี่ยนะในขณะที่ได้ยินเสียงประโยคที่เรียกคำพูดที่เรียกนั้นน่ะถ้าบอกงี้ถ้าเรียนรู้ตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องสมูหักไปเลยในตัวเพราะเสียงบางเสียงเนี่ยมันเป็นพยางเดียวใช่เสียงที่พยางเดียวเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่มีสมูหักไกกาขากิน อะไรว ก, กลุมพวกนี้นะเพระั้นการที่จะรวมประโยคว่าคําพูดเพื่อจะได้ให้รู้ความหมายของคําพูดนั้นเนี่ยแสดงว่าในลักษณะของคําพูดนั้นก็จะต้องก็จะต้องมีคําพูดเกินหนึ่งคำพูดขึ้นไปเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะไม่เกิดทางนั้นจะไม่เกิดโสตทวารวิถีจะเป็นอติมหันตารมิถีไดไ้เป็นมหันตารมิถีได้ไหมได้เหมือนกัน เป็นติมหันตารมวิถีก็ได้เป็นมหันตารมวิถีก็ได้ทางปัญญทวารหลังจากนั้นก็เป็นอติมหันตารมณ์ใ น, ในอตีตัคขนวิถีเนี่ยในอตีตัคขนวิถีนั้นเป็นอติวิภูตารม์หรือวิภูตารม์วิถีได้ทั้งสองวิถีนะแล้วแต่แล้วแต่ถ้าจากักขุถาวรถ้าโสตถาวรเป็นอติมหันตารมวิถีต่อต่อมาก็จะเป็น อ, ต, นอติวิภูตอารมณ์เหมือนกัน จะแรงในลักษณะเช่นนั้นนะถ้าเป็นหมนตารมก็จะเป็นวิภูตารมอย่างนี้เป็นตัวน้องนะเวลาวิถีที่เกิดต่อที่เป็นอตีตัคข้าววิถีเนี่ยเพราะอตีตัคข้าววิถีนี่เป็นวิถีที่เกิดต่อจากโสตาะวาล ร, รับสัทธารลมที่เป็นอดีตคือสัทธารลมที่โสตาะวาลวิถีที่รับมาแล้วก็ดับไปแล้วนะ่ยแล้วก็เกิดขึ้นอตีตักค้าววิถีทั้งสองวิถีเกิดขึ้นสลับกันนะเขาเกิดขึ้นสลับกันมากคํานวณไม่ได้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 อย่างยกตัวอย่างเช่นยอมตุ๋ยจะเรียกเรียกลูกชายว่านินเนี่ยนินคําเดียวเนี่ยสมูหักข้วิถีไม่เกิดอ่ะทำไมจึงไม่เกิดยอมตุ๋ยรู้ไหมเพราะอะไรคําว่านินคําเดียวทําไมสมูหักไม่เกิดอ่าเพราะไม่ต้องไปรวบรวมท่านินนินนี่สิต้องรวมต้องเกิดเพราะมีคำสองนินใช่ไหมนินนินคําหนึ่งอีกนินอีกคาหนึ่งมารวมกันอย่างนี้สมูหักเกิดมองเห็นอย่างเข้าใจไหม นะสมุหคัสวิถีเนี่ยจะเกิดก็คือสองคำขึ้นไปสองพยางคขึ้นไปถ้าคําเดียวเดี๋ยวไม่เกิดเพราะไม่รู้จะรวมอะไรใช่ไหมมีวัตถุหนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็รวมกันไม่ได้ไม่รู้จะไปรวมได้ไงถ้าสองชิ้นขึ้นไปเนี่ยรวมได้อย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันสมุหคัสวิถีเนี่ยก็จะเกิดนะขึ้นหลายสิบรอบแล้วแต่คําพูดจะมากหรือน้อยถ้าคําพูดมาก เช่นประโยคของการเรียกเนี่ยถ้ามีมากสมมุหากก็เกิดมากหรือคำพูดนั้นๆเนี่ยเอางี้ในขณะที่ฟังอยู่เนี่ยฟังบรรยายฟังสาธยายฟังอะไรเนี่ยสมมุหากต้องใช้เป็นประมาณอย่างยิ่งเลยต้องเกิดอย่างมากเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฟังไม่รู้เรื่องเลยเนะและต้องต้องเกิดแล้วก็คอยรวบรวมประโยคให้ติดกันแล้วก็ยังจะมารวมไว้ประโยคน์คำพูดนี้นี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งยาก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 เราก็ทนที่จะฟังคนงทีฟังเพลงเนี่ยก็ฟังอยู่งั้นนะในกลุ่มของบุคคลที่ฟังเพลงรวบรวมเนื้อหาโอ้ยลึกซึ้งมากกว่ากันนั่นเลยใช่ไหมใช่ไหมฟังแล้วอุย้ยเพิดเพลินมากรวบรวมแล้วรวบรวมอีกก็ไม่เห็นอัดไม่เห็นสาระในความหมายนั้นอะไรได้เลยทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรมากหรอกคพูดอยู่ไม่กี่คำํำถ้าเอารีบเอามาคําพูดพูดให้จบเนี่ยแป๊บเดียวแลวจบ แต่เขาเอามาใส่ดนตรีใส่อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วเรายังจะต้องไปรวบรวมดนตรีก็ไม่ได้เห็นความจริงของเสียงดนตรีก็ยังเสียงเพลงเม่อพออะไรเนี่ยพอวันแม่เขาบอกเขาพ่อไม่เห็นวันแม่ก็ฟังเพลงก็ว่ถามฟังเพลงคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ําตามันจะไหลก็ว่ากันนะเขาก็มีเพลงอะไรเขาเขามาเล่าแล้วบอกฮะทำไมทําไมคิดถึงแม่แล้วน้ําตาถึงไหลแบเนี้ย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 กตันยูกับกระตวเตวทีเนี่ยหายากในโลกเลยากจริงๆนะเพราะมันไม่ใช่กระตันยูต่อพ่อแม่อย่างเดียวนะใช่ไหมเขาบอกอะไรนะกระตันยูตอบุญตนเองด้วยไหมเอากตันยูยังไงกตันยูต่อบุญ เ, เ, เนี่ยฮะคือชีวิตอัตราพที่ได้มาเนี่ยมันได้มาเพราะบุญก็ระลึกถึงบุญเก่าเมื่อระลึกถึงบุญเก่าก็จงทําบุญใหม่เนี่ยใช่ไหมคือตอบแทนบุญเก่านั่นแหละ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 ไม่ใช่หาง่ายๆในมงคลเลนะี่ยในมงคลเป็นอย่างนี้นี่หาได้ยากเอ๊ะตรงตอนนี้ไปถึงไหนเลยเนี่ย น, นี่นี่สมูหักสมูหักในการรับไอการไอเสียงเนี่ยการรวบรวมเสียงเนี่ยต้องรวบรวมรักเลยประการต่อมาคืออะไรนามมัศนามนามัศค า, า, านาวิถีเป็นวิถีที่เกิดต่อจากสมูหักคาณวิถีรับนามบัญญัติชื่อเนี่ยรับชื่อนั่นเองในตอนนี้รู้ชื่อแล้วเนี่ย เพราะเป็นคําพูดออกมาใช่ไหมไมีรู้แล้วประการต่อมาก็อัตถกวิถีที่5เนี่ยข้าณาวิถีเป็นวิถีที่เกิดต่อจากนามะข้าณวิถีเกิดขึ้นรู้อัตถะบัญญัติที่เกี่ยวกับกิริยาการกิริยาการนั่นเองตอนนี้รู้กิริยาการการไปมานะส่วนประการต่อมาคือว่าจีวิญยักษ์ขาณาวิถีเป็นวิถีที่เกิดต่อจากอตติตักขาณวิถีอันนี้รู้อะไรวิถีนี้เขารู้อะไรเนี่ยฮะ รู้ความหมายของวจีวิญญัตนี่เป็นอัฏถักขนวิถีเหมือนกันมีเป็นการรู้ความหมายนะส่วนนามมรคนี่ครัไปรู้สัพท์บัญญัติแล้วก็รู้นามบัญญัติด้วยนะรู้เสียงนั่นด้วยคําว่านามนามมรเห็นใช่ไหมรู้เสียงรู้สัพทาบัญญัติน่นส่วนอัฏถักนี่รู้อะไรรู้อัฏฐบัญญัติวจีวิญญัตก็คือรู้อะไรรู้ความหมายของวจีวิญญัตที่เป็นอัฏถักบัญญัตินั้น ปรการที่เจก็คืออธิปายยักษ์ข้วิถีวิถีที่รู้ความประสงค์ฮะรู้ความประสงค์เกิดขึ้นรู้ว่าผู้นั้นเรียกเราและมีความประสงค์จะให้เราไปไหนจะให้เราไปหาลักษณะอย่างนี้วิถีนี้จะเป็นอย่างนี้อธิปายยักษ์ข้วิถีมองเห็นใช่ไหมเวลานั่นก็อธิบายกันได้นะตรงเนี้เห็นวิถีก็อธิบายปุ๊บไปเขาฟังเลยนะว่าเออจะเป็นอย่างนี้ครับโดยพออธิบายได้ไหแบบนี้ได้ไหมเห็นวิถีนี้อธิบายได้ไหมเนี่ยเวลาคนเรียกเราวิถีเกิดยังไง เวลาเห็นคนกากมือแล้ววิถีเกิดยังไงพอได้นะอ๋อไม่เหมือนกันถ้าต้องการรู้ไรายละเอียดมันจะต้องมีพวกสังเกตวิถีสัมพันธ์วิถีวินิจฉัยวิถีนะนะจัองอีกมากมายยังมีอีกเยอะแต่ว่าให้รู้อะ ใ, ในลักษณะอย่างเงี้ยนะกว่าจะรู้ความหมายกว่าจะรู้อะไรได้เนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจภาษานมามมักไม่เกิด นามคณาวิถีไม่เกิดเลยเกิดแต่สมุหกก็รู้อัอาถรรน์สันฐานรู้วแรงต่างก็รู้แต่ว่าไม่รู้อไม่รู้ชื่ออย่างเช่นไม่ต้องไรแลกเราฟังภาษาอังกฤษที่เราไม่รู้เนี่ยต่างชาติเราฟังเราเราฟังต่างชาติเนี่ยรู้ว่านแต่นามคณาวิถีไม่เกิดเนี่ยรู้วัตถุประสงค์บางทีรู้บางทีไม่รู้ก็ใช่บางทีก็รู้บางทีไม่รู้ไงก็ใช่ เพ th ราะว่าไม่ชัดเจนทางนามมรคณวิถีเป็นอย่างนั้นเนีอันนี้รู้รู้วัตถุประสงค์ด้วยเนะยรู้วัตถุประสงค์ฝรั่งไม่เข้าใจเนะ่บางทีฝรั่งไม่เข้าใจเขากวาดมือเรียกเนี้ยไม่เข้าใจหรอกอธิปายยักคณวิถีไม่เกิดไม่รู้วัตถุประสงค์ใช่ไหมเพราะประเภณนี้ประเพณนี้ต่างกันนี่ย้อมตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเราโบกรถใช่ไหอถ้าถ้าหากว่าต่างชาติเขบอกรถลงอย่างนี้เลยรักสายโบกลงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเราบอกรถอย่างนี้อ่อ รู้วัตถุประสงค์กรใช้เป็นรู้ความประสงค์เป็นวิถีที่รู้ความประสงค์ถ้าไม่รู้ความประสงค์จะเกิดได้ไงก็ไม่เกิดไปฉะนั้นว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องดูตรงนั้นเป็นประมาณด้วยเนี่ก็จะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะในขณะที่คนอื่นกวักมือเรียกในขณะที่คนอื่น เ, เรียกเราอะไรต่างๆเหล่านีา้ก็แต่ว่าความเป็นไปของวิถีจิตจริงๆนะ่ยมันมากมายเหลือเกินนะนี แต่ว่าในกรณีอย่างนี้ก็รวมรวมรวมรวอมมาเออจะเป็นอย่างนี้ว่างแกนน่ะเนรู้แค่นี้ก็ยังว่าโอ้ยดีแล้วเนี่ยดีแล้วอไม่ยอมตัวรู้แค่นี้ก็พอแล้วนะนะบอกว่าเอามากกว่านี้ลําบากอ่ะเดี๋ยวต่อไปดูดูในนี้ดูในชิดอ่ะพอมาดูในชิดเนี่ยอ่ะต่อไปนี้แต่ท่านวติกามโนทวารวิถีเนี่ยสี่วิถีเนี่ยนะตีตาคณาวิถี สมูหะคณาวิถีอัฐหคคณาวิถีและวก็ น, นามมะคณาวิถีต่อมามาแบ่งตัานวุวัตุกิกะมโนทวารวิถีนี่สิประเภทที่เกิดต่อจากจากขูทวาริกะอติมันตารมวิถีตัธารมนาวะหรือมหันตารมวิถวาาีชาวนาวะนี่แบ่งเป็นประเภทอตีตักคณาวิถีเนี่ยแบ่งออกเป็น5ประเภทนะแบ่งออกเป็น5ประเภทถาม อติตักนววิถีเนี่ยแบ่งออกเป็น5ประเภทเนี่ยแบ่งยังไงก็นี่ไงที่เป็นโทสาชาวนะเลยที่เป็นกรารว่าชาวนะ27เว้นโทสาสองนี่เป็นประเภทหนึงในวิธีประเภทที่1เนี่ยนะเป็นกรารว่าชาวนะยีเว้นโทสาสองแล้วก็มีต่ทาลรรมนา11 ส, ส่วนวิถีประเภทที่ประเภทที่2วิสีประเภทที่2นี่เป็นโทสาชาวนาเห็นไหมเป็นอุเบขาตทาธรรมนาหกคู่เบขาสันติธรณจิตสอ แล้วก็มห า, าอุเวกขา4ยังเป็นการมาผวังสิบอยู่นะส่วนวิถีประเภทที่3อันนี้ก็คือเป็นรูปผวังห้าแล้วก็การมาผวังสิบนี่นะเกิดในรูปประภูมิ15แล้วกเกิดในกามปรภูมิอีกสินี่นะแล้วก็เป็นการมาชาวนะ27เว้นโทสา2อวังก็เป็นรูปผวังห้านี่แหละกับการมาผวังสิบส่วนประเภทที่4การมะอุเวขาผวังหก เป็นโทสะโชนะไม่มีอาคารดุกะผวังนะในวิธีนี้ทีนี้รู้จักการว่าอุเบขาผวังหกไหมคืออุเบขาสองอุเบขาสันตีสองไม้บากรม้บากอุเบคาสี่ 2, 2, 4, แล้วก็โทสะโชนะลงในในวิธีนี้ไม่มีอาคารดุกะผวังก็เพราะว่าผวังเขาเป็นอุเบขาอยู่แล้วนะรับอารมณ์อะไรก็ได้เอาวิธีที่ประเภทที่ห้า เนก า, มสมนาสมาสมานาฏผวังสี่แล้วก็โทสาเชวนะอาคารตุกขาผวังห้าเพราะเป็นอติวิภูตารมวิถีถ้าเป็นวิภูตารลมใส 6, ่หกก็แยกกันไปนี่คืออติตะคะวิถีนะส่วนสมูหักคะนวิถีก็แยกเป็นห้าเพศนะห้าเพศเป็นกามชวนะเป็นกาสมาเฉวนะยีิบเ็ดเว้นโทสาสองนั่นเพศที่หนึ่งแล้วก็เป็นโทสาเชวนะ จะทาอำนาเหลือหนะปรเพทที่สองไม่ต่างก็จากอติตักนะแล้วประเภทที่สก็รูปผวังห้าการผวังสิทธกามชานะ27เว้นโทสะสองนี่นะส่วนวิถีประเภทที่4การมอุเบขาผวังหกโทสะชาวนะก็ลงเหมือนกันประเภทที่5ก็โทสะชาวนะที่มีอาคัรตุกับผวังปฏิสนธิด้วยการมาสมณะผวังสี่ ไม่มีอะไรสงสัยนะแต่เพราะอัดถักข้านวิถีเหลือสามประเภทอ่าเหลือสามประเภทเหลื อ, อยังไงแต่ทำไมถึงเหลือสามประเภทก็ต้องบอกว่ามีปัญจวโอการะพวังสิบห้าอัดถักข้าวิธีปลายไกลแล้วตอนนี้ไปไกลแล้วปัญจโวการะพวังสิบห้ามีอะไรเนะี่ยมีอะไรฮะใช่ตัวนี้เขามารวมไงก็ใช่เทตัวนั้นอุเบ ข, า, ขาสันตีสองมหาบา 8, ่าแปดรูป รูปาวิจารวิปากจิตหกามชาวนะยี่หกเว้นโทสาสองเว้นหะสิทาไมเว้นหะสิรับอัดถักข้ณวิถีรับรับอัดถักบัญญัติกามมเบขาพราะวังมีประเภทที่สองเป็นโทสาชาวนะและก็ประเภทที่สามเป็นการผสมนัตพระวังสี่โทสาชาวนะหายไปสองประเภทหายไปไงวิธีไหนหายไปประเภทที่เท่าไหร่หายไปที่มีตถา ร, รมนะ หายเกลี้ยงเลยทําไมจึงหายอัตถคัณวิถีตทาธรรมนะไม่เกิดแล้วเยไม่เกิดแล้วฉะนั้นประเภทที่มีตทาธรรมนะจึงหลุดไปนามมคคัณวิถีก็เหลือสามประเภทปัญจวกาาวาลพะวังสิบห้าการะชฉลนะายี่หกเว้นโทส่าเฉลนะาหาสีโ ป, ปาแล้วก็เป็นโทส่าเฉลหนะปฏิสนธิโดยการเวกขาพะวังหกแล้วก็เป็นโทส่าเฉลนะที่ปฏิสนธิด้วยสอมนัตนี่เป็นนี้นะเป็นอนี้เนี่ยแต่นี่ก็แยกไปนี้นี้เข้าใจนะ มีอะไรคล่องใจตรงนี้ไหมอ๋อเป็นหกได้ไดแต่ในวิภูตาโรวิถีอันนี้นะอติมหันตาโรวิถีก็เลยมีห้าเหตุผลให้มาแล้ว น, นี่เข้าใจแล้วน ะ, ะต่อไปไปรวมรวมแต่ถนุวัติกามโมทวารวิถีในหน้าที่สิบเก้าแต่ถ้านัติกาโนทวารวิถีเป็นกามาชาวนาวโนทวารวิถีนี่นะหรืออนุพันธกะมะโนทวารวิถีเอ๊คําว่าอนุพันธกามโมทวารวิถีนี่แปลว่าอะไรเนี่ย แปลว่าอะไรอนุพันธกรรนี่แปลว่าอะไรเนี่ยขเรอนุพันธกรรมมโนทวารวิถีหรือสัมพันธกรรมมโนทวารวิถีวิถีที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กันนะนะสัมพันธ์กันอะไรสัมพันธ์กับอะไรเออนี่ยแหละเกิดสลับกันสัมพันธ์กันนั่นเองลักษณะอย่างนั้นเนี่ยขลกอนุพันธกะอนุพันธกรรมอตีตักข้าณะอนุสัมพันธ์ธกะมโนทวารวิถีไม่ต้องพูดย่างไง คือต้องเรียกให้ถูกงี้ยเนี่ย ส, สมูหักขณาหนะอนุพันธกะมโนทวารวิถีอัฐหักข้าหนะอนุพันธกะมโนทวารวิถีนามัตนามะบัญญัติติกขาข้าหนะอนุพันธกะมโนทวารวิถีเราจะเรียกกันเรื่องเรียกอย่าง้ยไหต้องเรียกทุกชื่อก็งั้นเขาสัมพันธ์กันหมดแหละเขาเรียกว่ามีมมกมีกี่ชนิดเน่ยที่จริงอนุพันธกะหรือแตทานุวัติกามโนทวารวิถีเนี่ย จะเขาจะต่อจากอะไรบ้างจากขู่ทวาริกะจากขูทวานอนุพันธกรมโนทวารลวิถีโสตทวานอนุพันธกรรมโนทวารลวิถีคาณทวานอนุพันธกรมโนทวารลวิถีชิวหาทวานอนุพันธกรมโนทวารลวิถีกายยะทวานอนุพันธกรมโนทวารลวิถีใช่ไหมเขาจะต้องสัมพันธ์กับทางจากขูทวานโสตทวานคาณทวานชิวหาทวานกายะทวานลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุพันธกะมโนทวารลวิถี ทีนี้ในอนุพันธกะเกิดติดตามมาด้วยการเกิดปราศจากวิญญาตมีไหมมีทำไมจะไม่มีใช่ไหมมองออกไหมตรงนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นวิถีที่เกิดสัมพันธ์กันจริงๆอ๋อมันเรียกได้เออไม่ใช่ท่านเรียกได้สองชื่อแต่ท้านวติกามโนทวารวิถีนั้นถ้าเรียกจริงๆก็คืออนุพันธกะหรือสัมพันธกรมโมโนทวาร อช่ใช่เขาเรียกอย่างนั้นเล ย, เลยแล้วแต่ท่นบบนนะานอนุวัติกรมโนโรทวารลวิถี อ, อนุพันธกามโนโรทวารละวิถีท่องไปเลย <c oughs> ส่วนใหญ่จะใช่อะไรก็ น, นั่นเลยฮะใช่ใช่ใชจริงๆเขาเรียกแต่ท่านุาวัติกรรมนโรทวารลวิถีแต่จริงตรงนี้ตรงนี้โอ้โหอะไรไม่ใช่คอมพิวเตอร์สมองของคนไม่มีเนื้อที่จํากัดใช่ไม่ใช่ จำไปเถอะบางทีกลัวจะเต็มเลยไม่เออบางคนไปคิดอย่างคอมมนุษย์ปัจจุบันนี่คิดแปลกๆดิเหมือนกันเนี่ยคิดว่าเออตัวความจำตัเองจะเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์จริงไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยบางทีเราโอ้ยบอกเขาเรารับรู้ได้หมดรับรู้ได้หมดถ้าเรื่องดีๆหน่อยไหมจํากัดพื้นที่ก็ว่ากันนึงจำกัดความจําจําไปเถอะใช่ไหมพ่อธรรมของพุทธยาว์จำไป ถ้ามีร้อยชื่อข้าพเจ้าก็จะสาธยายร้อยชื่อถ้ามีพันชื่อข้าพเจ้าก็จะสาธยายพันชื่อลองลองลอ ง, ลองคิดให้ได้อย่างนั้นดูดิคือข้าพเจ้าจะจำให้ได้โอ้ถ้าไปนั่งย้ำตัวเองนะต้องนึกอย่างนั้นจำก็วัด พยายามสาธยายก็ไว้สาธยายบ่อยๆโอ้โหในบางสูตรที่ท่านสาธยายพระธรรมของพระเจ้ากันนะโอ้โหฟังแล้วเราน่าเหนื่อยแทนท่านนะเยอะจริงๆครับสูตรบางสูตรนี่โอ้โหทําไมขนาดนี้เนี่ยทําไมจําเยอะขนาดนี้เนี่ยเรียงเป็นหัวข้อเป็นเถาหมดเลยนะเป็นหัวข้อพระธรรมดังนั้นแหละใช่ไหมใช่เราบอกถ้าเรามองดูขามองอีกทีบอก คุณของพระเจ้าในพารณนายังไงก็ไม่จบถ้าอย่างนี้ดิยังไงก็ไม่จบเบงัง น, นั้นบางคนก็ยังรีบใหญ่นะแก่ขนาดไหนแล้วก็รีบเรียนเขาอยู่นั่นแหละไอ้ประเภทเจอไม้เงามาขึา้นตอนขวานบินนี่ต้องเล่นต้องเล่นหนักๆบังนั้นคือต้อ ง, ต, องต้องเพียนเนี่ยเพียนถากบ้างปันบ้างบังั้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เรียนหนังสือแบบไม่เคยท่องเลยรู้ตนเองอตอนนี้มาท่องตอนแก่ยอมตัว ตอนนี้อาจารย์ทีอยู่ในห้องบูบูบูบูบูมบูมอะไรทวันนู่นนี่ตัวแพทย์ที่ัวนใหม่ลืมเก่าอยู่เรื่อยแล้วับทวนไหมเพียรปะบอกนั่นแหละเพียนจนตายไปนั่นแหละเพียรจนตายไปนู่นเพียนไปเบางทีฟังเหมือนหเทืสาทยายฟังสวดปริโมกข์พวกพวกพวกเราเนี่ยท่านจาได้มากกว่าเราเยอะนะอะไเงยใช่ไหมฉะั้นพื้นที่ในการจําว่ัตถุมานเอออจิตในการที่จะวิ่งไปตามวัตถุมันก็ไม่มีมากหนิใช่ไหม ให้ย่างเราถ้าจะบอกกันในเกี่ยวเกี่ยวเรื่องการจําบาลีแล้วจําได้น้อยกว่ามีอย่างี้ยนี่เป็นต้นแต่ว่าจํามากให้ได้เป็นบุญมากก็เรื่องนั้นให้มันได้บุญมากๆจากการจําจะเป็นประโยชน์มากเลยแต่าจํามากแล้วมีแต่เรื่องเครียดทั้งนั้นนี่จำมันไม่มีประโยชน์ในเรื่องการจําความจํานั้นเลยมาฆ่าตัวเองถ้าจนได้ใช่ไหมจะ๊ะจาเพื่อจะฆ่าแต่ก่อนแต่ก่อนเวลาเรียนมเมื่อทําอาไรรู้ไหม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 ตถานูวติกามโนทวารวิถีเป็นการมชนมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากปัญจทวารวิถีโดยตรงมี4วิถีคือโดยตรงนะที่เราเรียนกันมาเนี่ยตีตักข้าววิถีสมูหักข้วิถีอัถทักข้วิถีและนามมักคณวิถีความหมายบอกแล้วถ้าเกิดต่อจากจากขุทวารวิถีขานทวารวิถีชิวหาทวารวิถีกายยะทวารวิถีวิถีเกิดเป็นตามลำดับดังนี้ลำดับแบบไหน อตีตักขาณวิถีเป็นวิถีที่1เกิดต่อจากจากขุทวาริกะอธิมันตรมวิถีหรือมันตะรมวิถีเนี่ยนะสมูหักขาณวิถีเป็นวิถีที่สองอัดถักขณวิถีเป็นวิถีที่สนามมักข้าณวิถีเป็นวิถีที่4ถ้าเกิดต่อจากโสตาทวารวิถีวิถีเกิดขึ้นเป็นลระดับดังนี้ดังไหนบอกอตีตักขาณวิถีสมูหักขาณวิถีนามมักเป็นวิถีที่สเลยนะ เห็นไหมามคณ า, าวิถีเป็นวิธีที่สส่วนวิธีที่สี่เป็นอัดถักหมิ่นสลับกันอัดถักคณาวิถีถ้าคำพูดมีพยางเดียวก็เว้นอะไรสมูหักคณาวิถีเว้นออกไปอ่านยังไงเป็นสมูหักหรือสมูสมูหักค่าคณวิถีนี่นะทำไมจึงต้องเว้นคําพูดคําเดียวไม่ได้รวบรวมนี่เป็นอย่างนั้น ทีนี้ท่านแสดงบอกว่าแสดงภาพแตถาณุวติกะมโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากปัญจทวาลวิถีโดยยกจากคูทวารวิถีขึ้นเป็นตัวอย่างอตีตักขณาวิถีกับสมูหาขณวิถีมีภาพวิถีเหมือนกันนะก็แสดงภาพเดียวอัฐาคณวิถีกับนามัะคณวิถีมีภาพเหมือนกันแสดงวิถีเดียวเช่นเดียวกันนะทีนี้ปัจจุบันรูปอารม์นี่เนี่ยดูนี่ในวิถีเนี่ยนะ อติมหันตารมิถีตทารมนาวาละอิศเรงานะาภาวิธีนะการมาผวังสิบปัญจทวารวชนะจากคุยัญทำทัศนกิจปัญจทวารวชนะธรรมอะไรเนี่ยอวัชนะกิจสัมปติชนะรำสัมปติชนะกิจสันติรณะสามทำสันติรนกิจเพราะรูบารมณ์นั้น3ชนิดเห็นนะโวทพนานทีา่รมโวทพนกิจตัดสินรูบารลมสามชนิดเป็นปัจจัยแก่กามชาวนะ27เว้นตัวศาสองตทารมณา1ิ ลงกาบมาผวังสินั้นนะรูปารมดับแล้วที่พังคัคขนาดของตีตะวังเออของพังคัคขนาดของตถาธรรมน้าดวงที่สองเกิดแล้วที่อุปาทัคขนาดของตีตะวังสิบเจ็ดขนาดบริบูรณ์แปลว่าดับไปแล้วรูปารมนั้นเนี่ยพิถีที่สองต่อมาเป็นยังไงอดีตปัญจารมรับอดีตปัญจารมมองมาขวามือเนี่ยมาตีตะขณาวิถีเป็นกาบชาวนา27ดสมูหักตะนวิถี ก็รวบรวมนั่นแหละอดีตตัวบารมินั่นแหละต่อมาแล้วหลเกิดดีกาอัถธะอัทธะาตนาวิถีแล้วก็นามัคฆาตนาวิถีนั่นเขใส่ชาวนาอย่างนี้ใส่ใส่วิถีจิตอย่างนี้เข้าใจนะนี่เข้าใจอย่างี้นี่เป็นวิธีหนึ่งส่วนวิถีที่สองเดออเด้อเด้ อ, ด, อ, ด, อดูดูวิถีที่หนึ่งกามชาวนายีบเจ็เว้นโทาสาสอง แต่พออัดถกคณะวิถีกันนามมัคณะวิถีนี่กาเมชนะเหลือยี่หเว้นโทษาสอแล้วก็เว้นหัสสิตรปาทัจิตส่วนพระวังเป็นรูปพวังห้าแล้วก็กามออกพวังสิบมองเห็นนะตรงนี้คือเขาเกิดแบบว่าต่อมองเออห็นไ่มตรงนี้ที่ท่านใส่ไว้อย่างนี้เนี่ยมีความหมายคือว่าไม่ต้องการเขียนเยนอะๆว่าของของพวกรูปประพมเนี่ยถ้ารูปประพรมจริงๆต้องชักขึ้นอีกวิถีหนึ่งอย่างนี้ไหมมันก็จะเสียเวลาไป แหมก็โยงเชื่อมโยงแต่ให้เข้าใจนะถ้าหากเป็นรูปพวังห้าก็ต้องเริ่มแต่จากขุทวาริการติหันตารราวิถีอ่ะแต่รูปพวังห้ามามองเห็นใช่ไหมนั่นแหละตรงนี้ก็คือว่าให้เข้าใจกันเลยถ้าแหมพถ้าไม่ย่อไม่อะไรอย่างนี้เลยการนั่งเรียนวิถีก็จะต้องมานั่งเสียเวลาการเรียนกันอยู่อย่างนี้แต่จริงๆใช้คำว่าเสียเวลาไงเวลาเรามีน้อย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 ทำไมไม่ไปเกิดเป็นพรหมเป็นอะไรกันเ อ, อ้าเอ้าทำไมไม่เอาไงพราะอะไรเเป็นมนุษย์กับเป็นเป็นเป็นพรหมอ่ะเป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาไหนดีกว่า